ตอนนี้ดูเหมือนว่าเราติดต่อกับสายของคุณบอยได้เป็นที่เรียบร้อยครับเรื่องของออฟฟิศนี้ไม um ่ธรรมดามาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องต่อไปครับสวัสดีครับคุณบอยสวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคุณบอยสวัสดีปีใหม่เช่นกันครับโอ้ปีใหม่ไปเที่ยวไหนมาฮะเนี่ยเออผมไปเหนืออมาครับผมไปจังหวัดอะไรไปจงออังหวัด อ, อ, อุตรดิตถ์อ๋ออุตรดิตถ์ผมไปเชียงใหม่มา <c oughs> อุตรดิตถ์อากาศเป็นยังไงบ้างนะตอนนั้นที่ไป เย็นครับแต่คือมันเย็นเพราะว่าเพราะว่าลมมากกว่าอ๋อถ้าเทียบกเชียงใหม่ผมว่าอากาศที่เชียงใหม่จะเย็นเย็นจริงๆเชียงใหม่นะฮะอยากจะบอกว่าผมไปนี่เจอสามฤดูในในวันเดียวร้อน<ะ>หนาวและฝนโ อ, โ, <c oughs> โอ้โห <c oughs> นะครเอาเอาร่างกายสังขารกลับมาได้นี่ก็บุญแล้วนะครับ <c oughs> ไปกับพี่บัตรมาแล้วก็แฟนของพี่บัตรเขานะครับอ่ะมีคนรอ คุณบอยเยอะเลยนะครับคุณบอยเมื่อไหร่จะมาคุณบอยกําจัดตัวคุณอม่อไหร่จะมาอะไรอย่างนี้มาแล้วนะฮะเป็นดาวคนแรกของเราในค่ําคืนนี้ที่ได้คุยกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับออฟฟิศคุณบอยครับผมนะฮะเป็นออฟฟิศที่เกี่ยวข้องกับอะไรครับเรื่องนี้ออจริงๆแล้วมันเป็นออฟฟิศที่ผมอะก็ยังทํางานอยู่ณนะปัจจุบั น, รนครับเอาเหรอแล้ว <laughs> ม, มาเล่าได้หรอก็จริงๆผมว่าเล่าได้แหละมันไม่ได้มีอะไรที่มัน มากมายขนาดนั้นแต่ oh. ว่ามันเป็นเรื่องปแปลกๆที่มันอยู่ในออฟฟิศแล้วรู้สึกว่าเรายังหาคําตอบไม่ได้ว่าสิ่งที่เจอมันคืออะไรอ ah. มามาฟังกันเรื่องนี้ครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของคุณบอยนะครับออฟฟิศนี้ไม่ธรรมดาเป็นยังไงคุณบอยเชิญเลยครับครับผมก็ออฟฟิศที่ที่ผมจะเล่าเนี่ยมันเป็นออฟฟิศที่ผมกำลางทางานอยู่ <c oughs> นะฮะทุกวันตั้งแต่จันทร์จนถึงเสาร์อะไรอย่างเงี้ยอืทีเนี้ย <c oughs> ท, ที่ออฟฟิศเนี่ยมันมีเรื่องเล่ า, ามากมายที่ที่มันเกิดขึ้น อ, อยู่ในออฟฟิศนะคะ บ า, บ, านนบางคนก็บอกว่าเห็นนู่นบางคนก็บอกว่าเห็นนี่อะไรเงี้ยซึ่งแต่ละคนก็จะมีความหลากหลายในการเห็นแตกต่างกันครับทีเนี้ยคือผมอยู่ที่เนี้ยมาประมาณเกือบห้าปี ม, มีอยู่เรื่องเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าได้ฟังเยอะมากที่สุดจากอากจรบรรดาเพื่อนที่ออฟฟิศที่ทำงานนะ<ม>คือเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นกับชั้นล่างซึ่งตึกเนี้ย เป็นตึกออฟฟมันจะมีทั้งหมดสชั้นด้วยกันแล้วก็จะมีชั้นดาดฟ้าชั้มันเป็นเป็นรูเป็นสีนชั้นนะฮะ uh huh. เรื่องราวเนี่ยจะเกิดที่ห้องโกดังนะฮะเป็นโกดังที่เก็บเกี่ยวกับหนังสือหรือพวกสต็อกหนังสืออะไรต่างๆนานาคือต้องบอกก่อนว่าออฟฟิศผมเนี่ยทําทําเกี่ยวกับนิตยสาร น, uh huh. นะฮะหลายๆหัวแล้วทีเนี้ยพอพอเริ่มการจัดจำหน่ายไปมันก็จะมีการจำหน่ายกลับอะไรอย่างเง uh ี huh. ้ยพอจำหน่ายกับจำหน่ายกลับมาเนี้ย พวหนังสือต่างๆนานาที้เอกสารเนี่ยก็จะถูกเก็บสต็อกไว้เป็นเหมือน่อรอขายใบนบรรดากิจกรรมอะไรต่างๆนานาที่มีก<อ>ิจกรรมในการขายหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนกับหนังสือตีคืนกลับมาถูกไหมฮะใช่ครับหลังจากที่ <ผม S 1> ตี ค, ค, คืนกลับมาเสร็จปุ๊บ <ๆ S 2> ก็ต้องถูกเอาไปเก็บไว้เหมือนกับห้องเก็บของโกดังใช่เป็นโกดังใหญ่นะคโอเคโอเคทีนี้คืออ่าผมไปไลนได้ได้ฟังจากน้องออฟฟิศอยู่คนหนึ่งผมขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับได้ครัขอละ เขาชือนองบําครับนะฮะนองบําเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะคือเขาเนี่ยเป็นเด็กใหม่ซึ่งเป็นครั้งแรกเลยที่เข้าไปทํางานที่นั่นได้ไม่นานนะะักนะฮะแล้วเขาก็ถูกบรรจุให้ไปอยู่ที่โกดังครับนะไปอยู่ในสต็อกสตอกสต็อที่สตอกของที่พิเศารทั้งหมดครับนะแล้วการทํางานเนี่ยคือบางทีมันใช้เวลานานมากะะอือฟฟิศผมมันเลิก ง, งานหกโมงแต่ มันยังต้องเด็ดทำงานต่อเนื่องเขาก็คิดเข้าโอทีอไปนะฮะ <c oughs> ก็อาจจะอยู่ตักถึงสี่ทุ่มห้าทุ่เที่ยงคืนอะไรก็ว่ากันไป <c oughs> นะฮะบางคนเขาเล่าว่ามีอเหวินวันหนึ่งนะฮะเขาอะเข้าไปเล่นตู้โกดั ง, งคนเดียวครับ <c oughs> เพื่อทําการคับแค่นิตยสารที่จะที่ที่จะเอาไปเอาไปขายในงานกิจกรรมต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับ <c oughs> แล้วมันจะมีพวก พวกเพื่อนเขาอะอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่หน้าโกดังไม่ได้เข้ามาทุกรับนะครับโกดังอ่ะมันยาวมากผมจะอธิบายให้ฟังก่อนคือโกดังเนี่ยจากหน้าโกดังเนี่ยนะฮะไปถึงสุดโกดังความยาวมันเกือบร้อยเมตรอืไม่น่าเกือบร้อยเกือบสองร้อยเมตรอล้วยาวมากยาวนะสองร้อยเมตรอ่ะใช่ครับยาวมากยาวมากๆและในโกดังเนี่ย มันจะมีเป็นล็อกที่ที่ที่เก็บเนื้อสารแต่ละชั้นชั้นชั้นขึ้นไปร hmm. วมอหมรวมความสูงมันประมาณถึงสี่ชั้นด้วยกัน hmm. แล้วมันก็จะยาวประมาณเกือบเกือบสองร้อยเมตรแหละผมกลับทั้งประมาณนั้นนะฮะ hmm. ตัวรองปั๊มเนี่ยคือเขาทําการคัดแยกนิเดียสารอยู่ข้างในสุดเลยคซึ่งข้างในสุดเนี่ยมันจะเป็นข้างหลังก็จะเป็นแบบตาลละมันจะเป็นกาแพงอ hmm. นะฮะเขานั่งขันหลังให้กับกาแพงแล้วก็หักหน้าให้กับทางออก าของกูดัง<ม>ซึ่งมันตะตุกแล้วมีกลุ่มกลุ่มคนเพื่ อ, อนๆของเขาอยู่ตรงหน้านั้นแต่เขามองไม่เห็นนะ<ม>เพอเพื่อนเขาวางตั้งอยู่หน้ากูดังในขณะที่คนนั่งเนี่ยทีแท้คนเราเนี่ยเวลาเรามองไปข้างหน้านะฮะอย่าง น, น้อยๆอะ่ะลัตมีในการมองอ่เราจะมองขึง้นบนซประมาณร้อยแปดสิบองศาคือเหมือนกับว่าเราเห็นได้หางตาด้านซ้ายแล้วท่าด้านขวา พี่แจงพิภาพออืมนึกออกนึกออกโอเคลักษณะการคือเหมือนกับเราเรายืนใช่ไหมฮะเราจะมองไปข้างหน้าปกติคือของมนุษย์เราแต่มันจะมีเสี้ยวหนึ่งซึ่งอยู่ด้านซ้ายเสี้ยวหนึ่งอยู่ด้านขวาเราจะมองเห็นเหมือนเป็นหางตาถูกต้องถูกต้องนะฮะประมาณนั้นอืมน้องบ๊ามเนี่ยคนนั่งทํางานอยู่แล้วเขาสังเกตมีความผิดปกติทางด้านซ้ายของเขาเหมือนหางตาซ้ายโอเคใช่ครับหาตาซ้ายของเขาเขาแปลกใจนะฮะ แล้วก็ค่อยค่อยหักไปแจ็ครั บ, รบด้านซ้ายเนี่ยมันเป็นห้องน้ําออซึ่งเป็นห้องน้ําอยู่มุมสุดเลยแล้วมันมีไฟแค่ดวงเดียวอย่ตรงนั้นครับน้องบําเนี่ยเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเขายือนอยู่ด้านออฟฟิศไอ้ไม่ใช่เห็นในออฟฟิศพี่แจ็คตัวสีผู้หญิงยือนอยู่ด้าห้องน้ำน้ อ, อ, อ, าาองบ๊ามเขาเล่าเขาบรรยายรักษะว่าผี่หิงวันเนี้ยผมยาวครับนะครับ แล้วผมอ่ะปกหน้าจนถึงจมูกและตัวเนี่ยใส่ชุดเหมือนเป็นผ้าสีขาวยาวๆคุมทั้งล่างไลยครับแต่มันที่จุดเด่นของเขาก็คือเขายิ้มอ๋อเขาเป็นผู้หญิงที่ยืนคุมผ้าแล้วก็ยิ้มอไม่เห็นฟันอ๋ออยิ้มแบบยิ้มโอเคยิ้มไม่เห็นฟันนึกออกอืครับผ ม, มไม่เห็นฟันอืคือตอนแรกครับเขาเห็นหางตาแล้วเขาหันไปแล้วหันกับไมค์ที เขาบอกว่าแน่ๆแหละแน่ๆแหละตาฝาดไม่มีอะไรตาฝาดแน่ครับพยายามปลอบใจเดงว่าตาฝาดไม่มีอะไรอออืแต่ช่วงช่วงหลับใจนั้นแหะเขาก็ตัดสินใจที่จะหันกลับไปทีเพื่อย้ำเตือนตัวเขาเองว่าสิ่งที่เห็นนั้มันตาฝาดออฮะแต่สิ่งพอที้เขาหันกลับไปเนี่ยสิ่งที่เขาเห็นคือเป็นผู้หญิงคนนั้นยังยืนอยู่พี่อแต่คราเนี้ย ที่เขายืนคือพี่แจกลองในภาพตามผมนะครั บ, รบเขายืนตรงอะนะฮะแต่ตัวเนี่ยหักงอลงมาอหักงอลงมาในลนักษณะเหมือนสี่สตางค์ขาแต่หน้ายังเชิดอยู่โอ้ยเหมือนกับโค้งตัวไปข้างหน้าแต่เชิดหน้าอยู่ถูกไหมใช่ยังเชิดหน้าอยูอ่แต่ยิ้มโอ้อยครับผมแต่ยิ้มยังไม่เห็นฟันนะพี่แต่ที่น่ากลัวกว่านั้นเอ่ะคือบําเขาเล่าว่ารอยยิ้มของเขาอ่ะมันเริ่มลึกขึ้น คือมันกว้างจนถึงเกือบไปหูครับคือเหมือนกับยิ้มยิ้มแล้วก็ฉีกยิ้มฉีกยิ้มมากขึ้นใ ช, ใช่ครับอฉีกยิ้มมากขึ้น<อ>แต่ยังไม่เห็นฟังนะทีนครับเออถ้าให้เห็นภาพเนี่ยก็คืออาจจะยิ้มประมาณรัสสัโจ็กเกอร์อ๋ออออ๋ประมาณนั้นเลยครับเขาก็ตกใจแล้วหันกลับมาอีกรอบโอแล้วพยายามขยี้ตาแล้วก็รวมสติเข้าไว้อีกทีหนึงครับนะครับแล้วก็คิดในใจว่าถ้าครั้งเนี้ยหันไปอ่ะ ผันไปอะ่ะท่านแน่จริงครับเป็นผีนะท่านแน่จริงต้องอยู่อ๋ออ๋อเขาคิดในใจท่านแน่จริงต้องอยู่อีกครั้งหนึ่งในขณะที่เขาหันไปพี่คราวนี้ยอ่ะคือเขาไม่ได้ยืนเขาไม่ได้เอ็นสี่ห้างสาแล้วนะนะคะัขาเขายังตรงอยู่เขาเอา็นลาบไปกับพื้นเลยหมายถึงว่าเอ็นไปข้างหน้าหรือข้างหลังข้างหน้าเอ็นไปข้างหน้าครับเอ็นไปข้างหน้าคือเหมือน ต, ตัวตัว L เลยว่าอย่างนั้นอ่ะใช่ตัว L เลยเ้ย <c oughs> เหมือนตัวแอลแอกับหัวแลยทีแล้วหัวยังเชิดอยู่ซึ่งคนปกติธรรมดาทำไม่ได้อยู่แล้วมันไม่ได้นะมันมันปวดปวดหลังแน่นอนถ้าทำอ่ะอ่าอใช่คราวเนี้ยคือเขาไม่ได้ยินอย่างเดียวแลยพีเขายิ้มแล้วแย้ฟันออกมาด้วยอ่ะคือฟันขาวแล้วก็ปากที่ฉีกถึงงูถึงใบหูล่างเลย เออเท่านั้นแหละครับคือเขาก็ทิ้งทูกอย่างแล้ววิ่งร้องไห้กระเดิกระเจิลออกมาจากตรงโกดังนะวิ่งออกมาถึงนอกโกดังเลยแล้วก็วิ่งหายออกไปพี่ๆข้างนอกเขาก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับหนองบามคือเขาก็เงงกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาวิ่งตามไปแล้วก็ถามน้องมันเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรเป็นอะไรแบบเงี้ยอบางงอก็เล่าว่าพี่ผมเจอผีเจอผีผมเจอผีในขณะที่ผมเจอผีเจอผีร้องไห้ไปด้วยเจอผีร้องไห้ไปด้วย ที่ออฟฟิศเขาก็วิ่งเขา้เขาไปดูกันปรากว่ามันก็ไม่มีอะไรคมันก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยแถมไฟหน้าห้องน้าก็ปิดสนิทนี่ยเป็นเรื่องที่ผมได้ยินจากออฟฟิศเนี่ยเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องเยอะมากที่สุดเกี่ยวกับผู้หญิงคนเนี้ยที่อยู่ในโกดังอแต่ว่าแต่ว่ามีคนเจอบ่อยแล้วมา ม, มาพูดมาเล่าต่อๆกันได้ยินได้ฟังกันบ่อยใช่ครับ เจอกันทุกคนพี่ oh. ทุกคนที่อยู่เวนที่แบบทําอทีนะ oh. พี่ท่านหนึ่งนะฮะเขาเล่าใฟังว่าเขาไปอยู่แบบโกดังเ่ยคนเดียวซึ่งปกติเขาไม่ค่อยกลัวอะไร oh. แต่นี้เนี่ยเขาได้ยินข่าวรือว่ามีผู้หญิงคนเนี้ยอยู่เหมือนกัน oh. แต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรประมาณเที่ยงคืนฮ ะ, ะ oh. พี่เขาออกมาออกมาน่าโกดังซึ่งหน้าโกดังเนี่ยมันจะมีโต๊ะไม้หินโต๊ะอะไรอย่างเงี้ย oh. เขาก็ขอโทษนะครับคือขอโทษบุรีอ๋อออ เขาบอกว่าเขาอยากจะมาสูตรตรงนี้เพราะว่ามันมันอาจจะหลบหลบสายตากล้องรู้ีหยมุกอู่งานอะไรประมาณนั้นหลบในขณะที่นั่งสูบบุหรี่อยู่อยู่ดีๆพี่ก็หันไปไปเจอพี่ใงคนหนึ่งยืนอยู่หน้าทางออกของโกดังเหมือนกันเลยพี่ใส่ชุดขาวคลุมทั้งตัวแล้วผมมายาวถึงกลางหลังการที่เห็นหน้าเห็นแป่ปากอยเดียวคแค่ไม่ยิ้ม พี่เขากำลังจะทักเออเออไม่คือน้องแต่ชุดคิดนะฮะชุดคิดได้ว่าครับเออมันมีข่าวลือนี้มาฉะนั้นมันควรห้ามทักเออออพอดีคิดได้พอดีว่าเฮ้ยมีคนพูดถึงได้พอดีบ่อยๆมากเออคิดได้กอดีเลยเขาก็เลยทิ้งบุหรี่แล้วก็ออกจากออฟฟิศไปเลยครับไม่อยู่อีกเลยเจอเยอะมากเลยครับพี่เจอกันเยอะแล้วแต่ละคนที่เจอเนี่ยคือ แตกต่างกันออกไปแต่แน่เลยว่าที่โดดังเนี้ยทุกคนยินกันว่าผู้หญิงคนนี้ยังอยู่และถึงปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่เฮ้ยแล้วไม่มีใครให้คำตอบได้เลยลหรอครับคุณบอยว่าเธอคนนี้เป็นใครมาจากไหนไม่มีครับเพราะว่าอ่อแต่มันมีข่าวลือว่าที่รตรงเนี้ยอาจจะสร้างทับอะไรสักอย่าง อืมสร้างทับอะไรสักอย่างคือเราก็ไม่รู้รแล้วก็มีข่าวเลยว่าสมัยก่อนตอนที่โกดังนี้กำลังเพิ่งสร้างใหม่เนี่ยก็จะมีคนงานซึ่งพี่มันโกดังมันสูงใช่ไห ม, มความสูงของมันเนี่ยประมาณประมา ณ, มาณชั้นสี่เลยครับแล้วคนงานก่อสร้างอ่ะเป็นผู้หญิงอ่อะอเขาทำทำทำเสร็จแล้วเขาประสบอุบัเหแล้วล่วงมาเสียชีวิตตรงนั้นซึ่งมันเป็นข่าวเลยเราก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นจริงหรือเปล่าออ ฉะนั้นเราก็เลยไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใค ร, ครมาจากไหนและทำไมเขาถึงไปอยู่ที่นี่ได้นอกจากเรื่องราวทุกๆ ค, คนอื่นเจอกันแต่คุณค่อยยังอ่าผมเจอด้วยเฮ้ยเจอเหมือนกันเนรอมีวันหนึ่งคือผมมาต้องเร่งปิดมิสเียสางแล้วก็อยู่ทำอาร์ที่ออฟฟิศนะฮะแล้วประมาณสักห้าทุ่มกว่าเนี่ยแหละผมก็เลยลงมาเพื่อจะเอาชอปเปอร์ผมกลับขับกลับอะไรอย่างนี้ ในขณะที่ผมขับรถออกมาเขียนออกมาเนี่ยแล้วก็มากดมือถือปกติแหละครับเพื่อเช็คมุ้ง น, นี้นั่นเนี่ยผมเหมือนมี อ, อะไรห่างตาเหมือนกันด้านอืออนะฮะผมผันไปเนี่ยไปเจอผู้หญิ ง, งนี่าคนหนึ่งยืนอยู่ตรงประตูทางออกซึ่งเป็นทางออกที่เยื้องกับอันนี้นะฮะทางโกดังอะแต่ใกล้กันครับครับเป็นผู้หญิงเนี่ยเขายืนอยู่แล้วเหมือนกันเลยคือเป็นผ้าสีขาวคลุมทั้งตัวแล้วคลุมหน้าอยู่ผมยาว คือตอนนั้นถ้ามันดึกแล้วผมกกลัวด้ือความมีตกใจก็เลยรีบออกไปแล้วไม่ได้สังเกตสังจาว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่อครับแต่แต่ครั้งน่ะเป็นครั้งเดียวที่ผมเห็นในแบบเดียวกับที่พี่ที่ในโกดังเล่าให้ฟังต่อๆไปเนาะเฮ้ยแสดงว่าเธอคนนี้ต้องมีความผูกพันหรือมีอะไรสักอย่างที่เกี่ยวข้องกับโกดังคุณบอย พราเธอก็ไม่ไปไหนห่างห่างไกลาจากโกดังเลยนะยถูกมหมก็อยู่ในบริเวณใกล้ๆกับโกดังตลอดอยู่ในโกดังเลยครับแล<อ>้วบริเวณใกล้ใกับโกดังใช่ใช่คือจะออกมาออกมานิดเดียวอย่างที่คุณบอยเจอก็เป็นลักษณะคือนอกโกดังแต่มันก็อยู่ใกล้กับทางเข้าของโกดังถูกปะถูกครับเออแสดงว่าเธอเนี่ยต้องอยู่ที่โกดังเนี้ยแล้วทางทางเจ้าของเขาทราบเรื่องไหมครับเจ้าของก็ไปทราบครับไม่ทราบเรื่องแต่ แต่อะจะมีหัวหน้าฝ่ายอีกคนหนึ่งที่ดูไฟกันตลาดผมว่าเขาน่าจะทราบแต่เขาไม่บอกเขาพยายามบอกว่าไม่มีอะไรอย่าไปคิดอะไรเยอะหมายถึงว่าเจ้าของที่ผมถามว่าทราบเรื่องไหมทราบเรื่องไห ม, มว่าพนักงานเจอกันขนาดเนี้ยออทราบครับแต่สุดท้ายคือมันเขาคือมองเขามองเป็นเรื่องเลวร้ายไปอืยเราก็ไม่มีอะไรที่มันจะต่อความยาวให้เขารู้สึกว่าเอ้ยมันจริงๆงนะ อ, นอย่างเงี้ยทุกคนยืนยันในนะที่บอกว่าถ้าใครอยากเจอ ให้มาเดี๋ยวเขาจะทาเข้าไปคือคนแถวออฟฟิศทั้งหมดะครับ<อ>ก็มีความสงสัยนั่นแหละ<ถ>อยากจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมแต่ทุกคนยืนยันว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าไปบรรยากาศมันเปลี่ยน<อ>พอบรรยากาศมันเปลี่ยนนะทุกคนเจอหมกโอ้โหคื อ, อถ้าคขโตษพี่แจ็คทีนะครับ<อ>ถ้าเกิดคนที่ฟังฟังอยู่แนี่ยอะไรถ้ามี Facebook เฟ e b o o กของผมมา หลายท่านที่เป็นเพื่อนของผมใน a ฟ e b o o k จะเห็นภาพที่ผมถ่ายแนวฟิมแล้วก็ตัวในาอาฟิด้วยบรรยากาศมันจะเป็นแบบนั้นอือเฮ้ยจะเปิดเผยมากนะครับไม่เปิดเผยครับผมถ่ายแค่บางส่วนเท่านั้นเองเพราะว่าเดี๋ยวอ่าผมเข้าใจเดี๋ยวพอคนเข้าไปดูกันเยอะคุณบอยจะกลายเป็นเฮ้ยพี่เอาฟิตเนี่ยรู้จักวนพี่ี่หรีอโลกโซเชียลมันไวมากนะคุณบอยเนี่ยเจ้านายจะว้าวนะ ออืในเมื่อเจ้านายเขาพยายามจะปฏิเสธเขาพยายามจะไม่ไม่รับรู้ว่าเอ้ยที่เนี้ยมันมีหรือไม่มีอะไรยังไงก็แล้วแต่คือถ้าถ้ามันมันทําได้ดีที่สุดอย่างมากก็นิมนต์พระมาเพราะนั้นนันคือดีที่สุดและแต่นิมนต์มาทุกทุกปีนะพี่เข้ามามาทําบุญทุกปีทุกปีครับโอ้ก็ไม่ไปเขามีชื่อของเขาด้วยนะพี่ชื่ออะไรฮะคนในอ่างอ่าคนในโกดาเขาตั้งว่าพี่สาวสวย พี่สาวสุดสวยใช่ครับโอ้แต่ลักษณะเขาเนี่ยเหมือนกับไม่สวยอออมันเหมือน <c oughs> เหมือนกับเขาเอาจริงๆนะมคือเท่าที่ฟังมาเมื่อกี้เหมือนกับเขามาหลอกเลยน ะ, ะเหมือนกับเขามาหลอกมาหยอกนะมาเล่นทุกย่างเลยอะ่ะมันมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่น้องบ๊ามอ่ะเขาเจออีกรอบหนึ่งครับอ่าเขาจะต้องขึ้นไปเพื่อคนนีเตี๋สารชุดเนี้ยซึ่งชุดเนี้ยมันอยู่ประมาณชั้นสี่อืม ที่หนึ่งนะงชั้นสี่บันไดมันต้องสูงมากใช่ไหยครับใช่ค่ะแล้วทีเนี้ย น, น้องบังเขาขึ้นไปชั้นสี่นะฮะคือปรากบว่าคือเขากําลังเขากําลังแยกนุ่มนิ่งยกนี่นียนี่ที่าสานสูงนะพี่แล้วทิ่ยาน่ะคือมันเรียงต่อกันฉะนั้นมันจะมีช่องเล็กๆช่องเล็กๆที่แบบเราสามารถมองตรงไปแล้วลอดผ่านไม่ได้เลยอืมอืมอมในขณะที่กําลังทําทําทอย่างเนี้ยน้องบังเขารู้สึกว่าเหมือนมีหายช่องอยู่อืม อะฮแล้วเขาก็มองล่อเข้าไปปรากฏดว่าเป็นผู้หญิงคนนั้นแหละพี่กําลังมองเขาอยู่แต่ทีเนี้ยหน้าไม่ปกนะอ้อผมมาไม่ปกหน้าลแล้วเขาบอกว่าเป็นหน้าทำคล้ตาปนโูน<อ>หน้าเขียวเขียว<อ>นนำดำดำและยืนมาแค่หัวให้เขาเห็นเท่านั้นแหละครับน้องบ๊ามเขากระโดดจากชั้นสี่ลงมาพี่ครับกระโดดลงมาเลยอะ่ะแล้วมันคือมันน่าตกใจมากกว่านั้นคือเขาโดดลงมาจากตรงนั้นอะ่ะ คือมันน่าจะมีอะไรที่มันจะต้องบาดเจ็บครับไม่เป็นอะไรเลยอืมลงมากโอ้โหบ๊อบทุกวันนี้บ๊อบยังทํางานอยู่ที่นี่อะยังทํางานอยู่ครับบ๊อมยังโอเคอยู่นะคือมาถึงว่าผมว่าเขายังฟังเขาไมยังฟังอยู่เนี่ยบ๊อมยังสติสตานดีอยู่นะเจอโอ้โห่บาดบ๊อบเจอหนักมากอ่ะเจอหนักครับใช่เจอสองครั้งหนักๆเลยนะคือมาให้เห็นแบบว่าเป็นตัวเป็นตนเลยอ่ะใช่ครับโอ้โห่แล้วทุกแล้วสําคัญคือ ทุกคนในออฟดิศเขาเห็นเฉพาะที่อยู่ในโกดังคเขาเห็นเรื่องูกขุดแต่ก็ยังคงเป็นปริศนาอนี้คุณบอยบอกนะว่าเธอคนเนี้ยเป็นใครมาจากไหนอะไรไม่รู้มีแค่เรื่องเล่าซึ่งมันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่บอกว่าเป็นคนงานโอ้โหนะครับโอ้ยน่ากลัวล่ะออฟฟิที่เนี่ยแล้วตัวของคุณคุณบอยครับลงไปทํางานหรือว่าลงไปเกี่ยวข้องกับคนดังตรงเนี้ยมากน้อยขนาดไหนบ่อยไหมอืม เดือนละครั้งครับเพราะว่าปกติผมจะอยู่เป็นเป็นฝ่ายสินคือฝ่ายอาร์ตในการออกแบบอะไรเงี้ยคืออยู่ชั้นสามฮะแล้วพอหลังจากนี้พอทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือมันจะมีหนังสือให้ส่วนที่ฝ่ายสินเขาจะต้องเก็บไว้เพื่อดูอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียกให้ลงลงไปเอาตรงนี้ครับผมก็จะได้มีโอกาสแวะเวียนเข้าไปในโกดังนั่นแหนะเดือนละครั้งเท่นั้นเองโอ้โหมันเหมือนเป็นเป็นอีกโลกหนึงเลยนะโกดัง ชอาที่ฟังเลยคุณบอยเล่ามาเฮ้ยเหมือนเหมือนใโลกหนึ่งอ่ะพอผ่านประตูไปปุ๊บเหมือนเป็นเป็นที่ของเขาอ่ะอช่ช <c oughs> ชบรรยากาศมันเปลี่ยนเลยที่เราก็มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แบบฝนตกตหนักๆ <c oughs> แล้วหลังคามันรั่วอพ <c oughs> อมันรั่วเสร็จเนี่ยมันน้ํามันไหลจากหลังคามันน้ําตกอ่ะ <c oughs> ขอเขาก็นึกตลกกันว่าเอ้ยแบกก้าวสวยดีเนาะ <c oughs> น้งยิ่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็เลยไปถ่ายกันปรากฏว่าภาพที่ถ่ายมาน้องบ๊ามเขายืนยันนะฮะแล้วก็พี่ที่ในโกดังเขายืนยันว่า ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นซึ่งข้างหลังเขาอะ่ะมันกลายเป็นขาคนยื่นออกมาเป็นขาเดียวเลยโอ้จริงมจริงครับรู้บ่ะเนี่ยผมกําลังผมกำลังบอกน้องมัมแล้เนี่ยน้องมัมเนี่ยเดี๋ย ว, เ, ยวเขากลับไปแล้วเดี๋ยววันจนันะร์เจาจะเอารูปมาให้ดู<อ>ซึ่งเขาน่า เ, <อ>เขาแน่ใจว่ารูปนี้น่าดีน่ะหือถือเครื่องเก่าของเขาครับอ่าถ้าผมได้ไงเดี๋ยวผมส่งไปดูอุ้ยขอบคุณมากส่งมาทางอินบ็อกซ์ของทางแฟนเพจก็ได้นะครับ ได้ครับแล้วก็ลองขออนุญาตดูถ้าให้เอามาเผยแพร่ได้เดี๋ยวทางทีมงานให้น้องวีวีเบอร์หน้าให้ก็ได้แล้วก็เอามาให้ให้คุณผู้ฟังช่วยกันดูว่าเฮ้ยมันมันใช่มันจริงอย่างที่น้องบ๊ามบอกหรือเปล่าออ น, น่าสนใจน่าสนใจอ่าได้ครับคุณบอยยังไงก็ขอให้ โชคดีกับกับปีนี้แล้วกันเอาผมไม่ไม่ไม่อวยพรเรื่องนั้นดีกว่านะครับขอให้มีความสุขมากๆกับปี2017นะครับในปีใหม่ปีรากาปีนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสหรือว่าเจอเรื่องราวอะไรแบบนี้อีกนะครับเราก็คิดถึงกันเสมอนะครับคนคนรอฟังคุบอลเยอะมากแล้วก็ผมขออนุญาตอวยพรร พี่แจ็คและทีมงานนะฮะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่ฟังไลฟ์สดอยู่นะครับขอให้มีความสุขในปีละกาปีนี้นะฮะปีสองพันสิบเจ็แล้วก็คิดสุดแบกลอยสมหวังครับผมโอ้เช่นกันนะครับยังไงก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคุณบอยนะวันนี้มาไม่ผิดหวังจริงหลอนอีกแล้วครับเรื่องของออฟฟิศนี้ไม่ธรรมดาครับขอบคุณมากคุณบอยขอบคุณครับพี่แจ็คสวัสดีครับ